วันนี้จะสอบวัตถนาวัดวัดสุดท้ายของปายตีเนี่ยไม่ยากนะว่างี้เนี่ยง่ายๆเพราะง่านะครับเ ม, นะ ม, มื่อวานนี้ยังยากนะแต่ันี้หนักในฐานาอะไรถามเลยนะครับว่าข้อหนึ่งนะที่สุไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนเข้าไปสู่ห้องบรรทมของพระราชา ที่พระราชาและพระราชินียังไม่ได้เสด็จออกแต่ไม่ต้อง อ, บอับัลปปาสิบป<ม>ีเพราะเหตุอะไรจงต่อมาเ<ม>นี่ยนะไม่ต้องไปอีกสิครับพระราชาที่ยังไม่ได้เขาปิดเสกใช่ไหมทางพระราชาที่ยังไม่รับกษาพิเศษครับยังไม่ได้รับมูลคาพิเศษใช่ไหยทํำ<ม>พิธีนั่นนะ <c oughs> อย่างนี้นะครับถูกต้องครับ ข้อสองพิสูจน์เห็นของตก อ, อยู่นอกวัดสามารถเก็บเอามาคืนเจ้าของได้หรือไม่นะครับไม่ได้และการเก็บของแบบไหนที่ไม่ทําให้ต้องอานบันเลยครับของที่ตกนอกวัตแหละเราจะเก็บมันยังไงแบบที่ว่าไม่ต้อง อ, านะอ่านบัตรเลยคือว่าเจ้าของเขาไม่ได้บุนใหญ่แล้วครับแล้วก็บังคับคนเหม อะไรครับเป็นเป็นจาดเงินทครับเป็นต้นชายของกับิยะรเป็นลักรพรร้ิสิประการเป็นักษณรนดิสิบประกาก็มันก็เพิ่รื่อยๆกับิยะพันแหละใช่ไครับถือ่าด้วยความคิดว่าคิดว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใหญ่แล้วเราก็จับความสะควรเราได้สมควรเราได้ครับทิ้มแล้วรับถูกต้องครับ แล้วแบบไหนบแบบไหนนอกจากบองสกุณแล้วยังไงมันจะมีแบบนั้นที่เราเป็นของยากข่าวข่าวได้ข่าวเพื่อถืวิสาสะจำถูกต้องนะครับเรียมบ่ไดานี่ง่ายต่อไปนะครับวิธีการเก็บของที่หลนอยู่ในวัดนะครับเพื่อจะเก็บเจ้าของ คนทำอย่างไรจึงบอกมาช็ก็เพื่อเคือน้าของเคื่อนย้ายไรมันจะมีเครื่องหน้าที่นี่สุดอยู่นหลังสู้นะครับเครื่องขาอะไรที่ใช้เยอะนี่ไม่เสียครัะเกิดตัวไม่เสียจังเลยเกิไปก็เราเกิดไปเครื่อเพื่อที่จะรับเขา นี่เราคนทํานะครับเป็นวิธีการอ่ะถือว่ากระเป๋าตังค์เขาหล่นนะมีตังค์ตั้นหูเป็นห้าพันอย่างนี้นะครับอ๋อเรื่องกระคือเราต้องสังเกตดูสีของกระเป๋าครัแล้วนับเงินทุกบาททุกสตางค์คเก็บรายให้หมดที่อยู่ในนั้นนะเวลาขอมาพึ่งก็มาแล้วเราต้องถามเขาครับกระเป๋ายมอมาเป็นสีอะไรถ้าเกิดบอดสีพิษเราไม่ใช่แล้วครับต้องแนสีกระเป๋าจำหลังไม่ได้ เราก็ทาให้ถ้าบอกถูกหมดทุกอย่างใช่ไหมครับถูกต้องครถูกต้องครับ่งถึงที่สุดเลยต่อถ้างเนวะแปลกนะเขาบอกคนตาบอดนะแกจะรู้ว่าแบงอะไรแบงอะไรใชหมครับงคนจะมีสัญลักษณ์อะไรที่มันต่างกันเอนกันในแบงแปลกเกันต้องนะครับ เมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วนยไม่มีเจ้าของมาเอาเลยสักทีนะครับที่สุคนทำอย่างไรครับห้้างก็เาเข้าไปทาครอะไรนครับเ็าครับ้ก็ไปสร้างสปนะนะสร้างอะไรเป็นคาบวัตถกไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับต้องทำ สี่นคเนี่ยช่วยกันนับให้ครบกันนะรัตตนะส0อย่างมีอะไรบ้างจงบอกมาเงินทองได้สองแล้วนะครับเงินแล้วก็ทองแก้มุกดาแกมณีก้มุกดาแมณีแก้ไพทูรแค่เนอแก้มุกดาแกมณีแก้ไพทู ก็ น, น่าไปว่าอะไรเกิตได้นสิ่งที่เกรที่ก็น่ามีค่ามีัาค อ, อแก้มันมีแก้ว ม, มุ้งดาแก้วไผทูนเนี่ยไผ่แก้วอะยกนี่ครัยกนีกเขาเรียกว่าศีาลาลาก็หมาถึงยกนะครับทับทิมทพ์่ไครับทาบทิมนี่ก็อยู่น่นอยู่ในคาว่าแก้วลายครับ ที่บุษราคามเนะี่ยไอแก้วลายมันมันหลายสีใช่ไหมถ้าเป็นสีนี้เขาจะเรียกอย่างนี้ถ้าสีนี้นี่อย่างนี้นะครับมันจะมีทสีอะไรเขาจะมีมรกตบุษราคามหลายชื่อนะบางที่เขาแปล ก, ก่อนว่าแก้วลายครับคือมันมันจะมีหลายสีหลายสันนะแล้วก็จะเรียกชื่อต่างๆกันนะครับเรา ว, วิ่งแขกแก้วว่าหนะ้ามันจะมีคําว่าว่าอะไรนะเป็นคําล้องจองนะครับ ว่าสีนี้สีนี้คืออันนี้ครับใครใครท่องบ้างแก้มณี้บ้านไปแล้วครับแก้มณีแก้มรัครับวอุศลาคำครัาได้ครับอันเดียวกันพผู้มรกรุษอุศราคำอยู่ในข้อเดียกว่าแก้วรักหยกเมื่อกี้ยกได้ครับครับอ๋ทับทิมทขาทิมในข้อถูกแล้วนะทขาทิมข้อครับมีสีลาครับมีศีลาทับทิมอุศลาคำอีกสองครับ อีกสองเอโหเลยเลยแก้วอีกแก้วหนึ่งอีกแก้วนะแก้วประทานแก้วประทานนะครับใช่ใช่อมรเทแก้วประทานอีกอย่างแล้วสุดท้ายเลยสุท้ายเลยมีเงินมีเงินมีทองแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไฟทูนแก้วสุภาทานนะครับสีลาทับทิมบุษราคัมมันขาดไปอันนึ่งนะครับหยอกเอ้หยกเลยหยกนัไรอย่างนี้สีลาครับ อยู่ในน้ําล้วม <out> like ันก็จะออกมาบรรบุกสังท้าสังท้ถึงต้องนะครับสังท้าใ่ไหสังหมายถึงว่าที่เข้ามาขัดเกลาเรื่ยเรือยแล้วนะมาเจรณาเรื่ยเรื่อยแล้วนะครับเงินทองแก้มุกดาแก้มณีแก้วไพลทูนแก้วกบทาสังศิลาทับพิมบุษราคัมครบะครับยงเยศิลาทัาเพง ก็ออยมก็เป็นหึงบ้างแค่นึงครับไอสังก็คือสังที่เขอมาโดบัรใส่นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่สังเข้ามาจีนวันนนะฮะมาขัดมาจีนวันในทจิตด้ละะักษณะต่างๆถูกต้อ ง, งคนี้และละะักษณะสมมติในสิทาบท น, นี้ได้แก่อะไรจงบอกมาเข้มขัดเยอนะไหมเข็มขัดนะหน้าครับแต่ถ้าเราพูดไปแต่ละอยา่างมันเยอะใช่ไหม ทุนแล้วก็คุมอะไรเครื่องเขาบอกเครื่องอะไรนั่งประดับก็เป็นเนื่งประดับก็เป็น้เพราะว่าไร้ในอย่างเครื่องใช้สอยครับอนี้ว่าเครื่องใช้สอยถูกต้องนะครับครุ่งพภคบริโภคนีของมนุษย์ทุกอย่างนะเครื่องโภคบริโภคนี่ครับหมดเลยเชื่อแต่นาสมมุติครับแม้แต่ไอ้แปรงสีฟันยาสีฟันใช่ไหมสรุปแปรงฟันเ้าหรือเป็นชุดอย่างนี้นะ มันเขาัจะน่าสมมตหมดเลยอือครัอืี่ยีาไหนเขามันเลยพิมพ์มาให้ครับจบไปจงบอกอาณาบัตรของสุขาบทข้อบอกลาเข้าบ้านในเวลาวิการมามีอาณาบัตรอะไรบ้างอาณาบัตรนะคะไม่บอกอย่างเช่นรีบนะคะไฟไหมโอเค มีกินเล่นด่วนใช่ไหมครัถูกต้องครับอันแรกมีกินเล่นด่วนนะครับไม่ปอดภัยมีอันตลายคอัได้ได้สองอย่างครับไม่มีที่ซือให้บอกลานะครับถีกต้องนะครับมียังมีอะไรนะครับไม่มีไม่ได้ไม่ไการไหนก็ต้องบอกลานะในคุมข้อนี้นะครับ ไอ้โครงเนี่ยอนัยูนข้อมันกินเล่อด่วนครับนีหมดลครับอาผ้านลอ้าวอยู่ห้กังนีเล่อด่วนมันนั่กี่เรื่อด่วนอาวผ้าครับเีอีกอะไรสองดีกว่านะนจัดสอ้หลายหลายหลาอยู่ที่สองสามสี่ออ ไปสู่บ้านนี้ม่ต้องพูดแล้วแน่นะองมีเร่หนึ่งสองอีสักว่าอีสักสองอย่างมันก็จะได้ก็จะขุมนะที่นที่บอกว่ามันตีต่างกันไงในพูดอ๋อที่ผมไปู่บ้าน ไปวัดอื่นะัไอารามหรือไปวัดอื่นแล้วนี่นัข้อย่นี้ครับไม่เป็นไรถ้าได้ไปวัดอื่นก็ไม่ต้องบอกลกเนาไบแต่ไปนะครับข้อนั้นข้อนี้นเอาใคิดสิเอาใจตบเอาใจคิดนไปอาาอย่นี้จําไว้เลยนะเมือนั้นาพถึงแล้วนี่เด็ดเลย ไปอะไรนะ ไ, นไป ท, ที่นอกนนไปในาปในาอันนี้ผมไปในบ้านเลยเข้าไปในเขตบ้านแนะ น, น, นีน่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชช่ช <c oughs> <c oughs> อะไรไปคลอดคลอ ไม่ดีไ้ตสองไปเข้าคว้าหมองเขียวนะครับในในเกี่ยวเนื่อนมันก็ต้องบอกลาถ้ามานลาิการนัต้องบอกลาหมดเลยถ้าพี่สุนัมอยู่น่ อะไรนะไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องบอกอะไรใช่ต้องบอกอะไรคหน้ากิริด่วนอนไรนะมันนั้นหละกิริด่วนอะไรกิริบด่วนอันตรายคุมห้องคุมไดเยอะเลยไอ้ที่มบอกว่ามันไปกับพื่านเลยก็หมว่า มำไมเราไม่บอกมอ่เลยเรเมืไไปไหนบ้างเขาว่าเนี่ยน่เขาเขียบ้านนันะครับไปทางทางทางผ่านบ้านนชครับเราไปทางทางผ่านบ้านนะครับอันนี้มนจะไดนะเราไม่ได้แหวกช่อนทางเลยใช่ไหมเราไปตามทางถนนผ่านบ้านนะครับอันนี้ได้จำไว้เลยนะอนี้นะ ก็ยังยังเสือมันจะมีไปสำนักพิสุนีสำนักเ ร, รือถีหรือว่าไปรงฉันนี่นะครับนาั่งกัน น, นะนะจมไวเลยนะครับ เ, เด็ดเด็ที่เราทำง่าย <c oughs> อะไรนะกินลดด่วนนครับเมียนตะลา่าไปอารางอื่นน ะ, ะับไปทางผ่านบ้าน น, นะสำนักพิสนีไม่มีแล้วนักเรือถีก็หายากรงฉันนี่นะไม่มีใครให้บอกล่ะนะครับ เป็ลงฉันกลางหมบ้านเขาสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าบางที่ทานแถ่อีสานก็ยังมีนะครับคดินเขาพูดนะเขาจะทำไว้ให้พระไปฉันคือสมัยก่อนพราราษฎรบิธบาลนะถ้าไม่กลับว่างเลยก็ได้ถ้าไปเข้าโรงฉันกลางหมู่บ้านนะครับพอสาวบ้านเาไว้นะให้สำนาักทางเท่าไหร่ก็มาฉันที่นี่ครับไม่ต้องกลับบ้า น, อ, น อ, อ๋อ อันนี้นะมันนิ่งเข็มหมู่บ้านเลย<ด>ใ่ใช่ใช่เขาจะเห็นต้อมหรือยังไม่เห็นต้อมก็แล้วแต่นะเป็นเข็ ม, มขาาาานนะบ้านเรียนในข้อทินาทานนะบ้านประจาระบ้านไปนั้นแหละที่เพียงไปน้ําตกใช้เท้านะนะ่นะพูดหนึ่งเข็มหมู่บ้านหนึตรงเลยถ้ามีนัวร้องก็้อานัวร้องใช่เไหมถ้ามีเครื่องร้องก็เาเครื่องร้องหมู่บ้านเลยถ้าไม่มีเครื่องร้องก็เอาอุปจาระหมู่บ้าน จำได้ไหมนะจะนั่งอยูบ้านไหนครับวอนนี้ไปถามไปบอกนะค่อนี่ยเป็นอะไรนะครับพอบอกว่าเนี่ยพ่อถามว่าพี่สุไม่ได้บอกราเข้าบ้านในหมู่บ้านจะต้างบัเมื่อไหร่ตอบไปแล้วต้องบัเมื่อไหร่ครับเรื่อคอนีนกระตูหมู่บ้านเข้าไปถ้ามีรั้วใช่ไหมถ้าไม่มีรั้ว เรื่องดุบะที่สองนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใรื่องที่สองนะครับอิน่ตรงไหนเสี้ยงออกไปนั่งตรงนั้นไปสองตุ๊บใช่ไหมลองดูนะครับพอตุ๊บแรกเป็นหมู่บ้านนี้ไหมครับตุนบที่สองก็เป็นปัจจานาของบ้านใช่นะครับถูกต้องนะครับกบังนะครับ พิสูตไปกินนิโมนาการมาลิกาช้าทุ่เพียงนะฮะการนะครับเร่มไปฉันพอฉันเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับวัดนะครับแต่พอตอนกลับบัดนนั้นเป็นเวลาบีกาแล้วถามว่าต้องบอกลาพิสูตที่มีอยู่หรือไม่ครับก็กลับวัดนะครับในนี้ให้ใครบอกว่าต้องบอกลาใครเป็นบีการนะครับ บอกลาไม่ต้องบอกลาบอกลาก็มีไม่ต้องบอกลาก็มีเขาบอกว่าพิสูจน์ไปกินในโมนาการเนี่ยถามว่าในเวลานิการต้องบอกลาพิสูจน์ที่มีอยู่มั้ยพันเท๋ไม่ต้องบอกลาเลยอันนี้ใช่ครับ ไ ป, ไปที่ไนต่อมาเป็นที่ไหนไืนอมู่บ้านอื่นใช่ใช่ต้องบอกลาแต่ทําไม่ได้แวะออกไหนเลยเดินทางนะตามทางกลัมาวัดอีกเดียวนี้ไม่ต้องบอกลาอคถูกต้องครับถูกต้องต่อไปนะครับที่สูจได้กล่องเข็มทําด้วยงานใช่ไหมที่คนอื่นทําไปแล้วมาใช้สอนตาแบบอะไรครับ ต้องไปีตีถูกไหมครับทานไม่ได้ทำเองนะแต่มีคนเขาทำให้แล้วก็มาถวายท่านก็ออกมาใช้อย่างนีครับไปยีมาเดียวไปยีตีเลยยืนยันว่าคือปยีตีนะร้อยเปอร์เซ็นนี่มั่นใจมาะช้อนว่าอะไรชอนหวงหน้าจะต้องกดนะครับอ๋อ เป็นกกตุนตนตน้กดนะครับต้องตั้งนะตู้กดนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะข้อนี้ดูเจี๋ยว่าทําเองก็ดีใช้ผู้อนทําก็ดีใช่ไหมครับอันนี้ถ้าไม่ได้ทําถ้าไม่ได้ใช้นะถ้าทําเองแล้วก็มาขวายเรานะครับเรามาใช้สอนนี่ก็ตอ้องแบบตูกดนะคะรับอันนี้เขาจะไม่ได้จบหมดนะก็แค่หน่าจั น่าแต่ก็สูงครับเห็นไต่อไปนะครับจองอธิบายจตุกะปาจิตีจะหน้าไหมครับจตุกะปาจิตีในสิกขาบอกว่าด้วยการทำกล่องเข็มหมาครับคือจตุกะครับค่ะจิตกาจิติกาทำเองแล้วก็มาทาต่อให้เสร็จใช่ั คนอื่นทไว้ตาใคนหนทคนอื่นตางคนหนึ่งทำรอไให้ทำให้เสร็จคนอืข้าแล้วก็สายถึงเขาทต่อให้เสร็จใช่ไหมตคือคนอื่นทำคนอื่นแล้วนะแต่แล้วมาทําข้ะอื่นทำให้เสร็จเร็จแล้ให้เสร็จทำถูกต้องนะอีข้ออีข้อนึงคือคนอื่น เขาทำไว้เรามาทำต่อให้เสร็จเนี่ยข้องที่คนเตว่าเหนครับคนกันนะคือทำไว้แล้วให้คนอื่นมาทำให้เราเราทำไว้แล้วก็ใช้ผู้มาทาต่อให้เสร็จใช่ไหมครับสี่ข้อครบนะครับเราจะจํำไม่ยากก็ได้เราเอาลาบก่อนก็ได้ตอนทำค้าแล้วก็ตนทำต่อให้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ตนทำค้าแล้วก็ใช้ผู้อําต่อให้เสร็จพู้อื่นทำค้าแล้วตอนเราทําต่อให้เสร็จนะครับ ผู้อุ่นทาค้าแล้วก็ใช้ผู้อุ่นทาต่อให้เสร็จจะไม่ง่ายนะต้องนะครับต่อไปเตียงต่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมีท้ากี่นิ้วนะครับที่สุธรรมเตียงต่งที่มีท้าสูงเกินประมาณแล้วควรนะทําอย่างไรงครับอา<ำ>มีท้ากี่นิ้วครับที่พระเจ้าทรงอนุญาให้นะ่ะบอกว่าไม่ไม่เกินนี้นะแปดนิ้วนิ้วใครครับ นิ้วพ่อสุดคอนนะครับไม่ใช่ครับเนิ้วพ่อสุดคนครับเท่ากับกี่เซนตครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าทําปแล้วเกิดทําเตียงต่างที่มีท่าสูงเกินประมากว่าห้าสิบเซนนะแล้วควรทำอย่างไรครับตัดให้แลกออกกังครับไม่ตัดนก็ฝังนะครับถูกต้องครับเป็นไปนี้หมดสิทครับ เข้ามาไปขุดปูนเนี๋ยเขาเข้ามาจอดโอ้ยลาบากเป็นไปแล้วเนี่ยตัดเท้ามาจะง่ายกว่าไปขุดปูนเดีวเขาวายบางเท้าก็เป็นเสียงอะไรอย่างนี้นะเขาลาบากเลยครับต่อไปครับถามว่าหมอนสี่เหลี่ยม ที่ใช้ได้นะไม่ผิดพระวินัยต้องมีขนาดเท่าไหร่จรงิงหมอกมาไม่ใหญ่เกินขนาดเท่าไหร่หนึ่งซองหนึ่งกัครับถูกต้องถ้าถูกต้องครับหนึ่งซองหนึ่งกัมธูราใช่ไหมต้องมอันใหญ่เกินนี้นะครับหนึ่งซองหนึ่งกัมถูกต้องนะครับประบายสิบสองจองบอกขนาดของภาพสีธนะภาพติดสี แล้วผ้าอาบน้ำผลมาว่าต้องไม่ใหญ่เกินขนาดไหนทั้งเป็นแบบคืบและเป็นแบบแม่แบบเซนติเมตรมาด้วยครับเอ า, าท่านิสิตนาก่อนครับนิสิตนายาวครับยาวไม่ห้าสิบนะครับเอาเป็นคืบของผ้านเท่าไหร่ครับยา ว, วยาวสองคืบกว้าง ครึบครึใช่ใช pues. like ่คครึหนึ่งครึชหนึ่งครึบนะครับถูกต้องนะครับจำเลยนะไพสีหน้านะครับยาวสองครึบกว้างครึบครึมใช่ครึบหนึ่งถ้าคได้ท่องั้วทตีใช่ไหมจะจาได้นะตรงนี้นะครับจำวันรยยะหนึ่งครบกว้างครึบครึมใช่ครึบหนึ่งวะยะสองครึบสองครึบเท่ากับเท่าไหร่นะครับสองครึบเท่ากับร้อยหสิเซนยารอยห้าสิบเซนนะครับ คืบครึ่งเท่ากันครับลองนั่งไม่ถึงสองว้นมั้งขนาดสอง ค, บองคืบขนาดสองคืบมันแค่ไม่ห้าสิบเองนะครับอันนี้แค่ครืบครึ่งเองอนนหนึ่งคืบเจ็ดสิบห้าใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่ง เกือบถแล้วนะครับแม้สิบสองขึ้นนะครับถูกต้องนะครับแล้วก็ชายหนึ่งคืบเท่ากับย5่สิบห้าเซนนะครับค้าิสีนะครับยาถ้าให้สียาวยาวยาวสีคืบกว้างสองคืบถูกต้องนะครับสีคืบเท่ากับ สามเมตรนะครับสองครึ่เท่ากับเมตรห้าสิบนะครับก็จะาวว่ายาวสามเมตรกว้างเมตรห้าสิบนะครับถ้าเป็นฝนยาหกครึ่งครับยาหกครึ่งนะครับกว้างครับสองครึ่งครึ่งใช่นหมครับ ถูกใช่ไหมฮ้ยนสองกอย่างครับอาตถ้าเตยยางไหใช่ไหมอาะถ้าเตยยาสองครึ่งคึ้นครับสองครึ่งครึ่งเหรอใช่ครับร้อยแปดสิบห้าครึ่งไม่ใช่87ดสิบเจ็ดนะ ขร้อยแปดสิบเจ็ดขึ้นครับถูกต้องครับต่อไปอช่นีมถูต้องต่อไปข้อสุดท้ายองสุดท้ายอย่าสุดท้ายแล้วนะครับจีวรของข้อสุดขตมีขนาดเท่าไหร่จงบอกมานะครับจีวรของก้าวคือความยาวก้าวคือความกว้างก้าวครอเท่ากับหกเม เ <75. S 2> ท่ากับหกไมเจ็ดสิห้าใช่ัหยครับถูกไหมัเต็นอะไขึ้นเน <c oughs> ีอือกแบบมันเยังหายเลยนะหรไม่เจ็ดสิบห้านะครับก้าคืบนะใหญ่ไปนิดหา่ครับก้าคืบเน่ะเมื่อกี้สี่คืบนะแค่สี่คืบนะได้ได้สามใช่ไหม อ๋อนี้มันก้าวต้งก้าใช่มครับเ็หกหกเท่าไรหกครึ่งใช่ไหมครับหกครึ่งนะถูกต้องครับใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ครึ่งหนึ่งคือเจ็ดถ่าห่าเจ็ดหกห้าผมเปนเจ็ดสิบห้านะครับด้านยาวอันนั้นดัากว้างมันกี้น่ะหกึือเท่ากับสี่ไม่ครึ่งนะครับใช่ไหม ส, <c oughs> สีไม่ขึ้นครับต้องนะครับ <c oughs> และจงบอกอนามบัตของสิกขาบทข้อนี้มาด้วยครับสิกขาบทที่ทําจีวรเท่าจีวรพสุคตนะครับ <c oughs> <c oughs> มีอนามบัตอะไรบ้างครับไม่ง่ายทำหย่อนกว่าทำหยอนกว่าประมาณครับครับเท่าประมาณพอดีเป็นอนบัตถ้าพอดีไม่ได้ทำเกินกว่า <c oughs> เกิฝันี้ไม่ได้เป็นอาบัติที่มีแต่ยังมาทำมาแล้วก็ทาอะไรครับรีสุบ้าแน่นอนครับเนี่ยถามกินจะรีสุบ้าอะไรทำเป็นไรถ้าทาเป็นไรทำเป็นไรนครับทำเป็นชาทาเป็นผ้าอะไรนะผ้านะผ้าเป็นด้างผ้าเปนด่าาที่ม่ทำบัีวอ ใชนเป็นเปลือกผู้ปลอกหมอนทามากเครื่องปูร่าใช่ไหมครับอนนี้ได้ครับถูกต้องนะครับโอ้ยหมดแล้วนะแต่ความจริงเมื่อวานยังมีคําถามอีกคําถามหนึ่งครับผมเลยไปโบนิยาาทยเื้อดตอนะใช่เนือดตกแขนไม่ได้ถามเลยเมื่อวานเนี่ยมีมีข้อแม่บางทีเนี่ยถาม เกี่ยวกันั่นนะแต่ก็อ่านเอาอยู่ที่ภาษาทำนี่ก็ว่างนะครับที่เราเรียนผ่านมานะเมื่ถามว่าที่สุนะครับี่นอาคิดนึ่งนะก็ถ้าเราไม่ได้เรียนมาก่อนนะีสองนะครับเยอะขึ่ออืม้ถามก็ตอบเที่เป็นเส เอ้จ๊ะน่าจะมีน่าจะมีแล้วนะเกมเศรษฐีในเจ็โรการต่างตอรตาต่อดอัดไม่ครูเยียหครับานตอกไม่้ นี้ลองถามข้อนี้ดูนะเขาบอกว่าพระเุซพูดจริงต้องอาบัดหนักพูดแคสต้องอาบัตดเบาปัญหานี้ทั้งมุชาร์คิดกันแล้วอันแรกนะอันที่สองพูดแคสต้องอาบัตดหนักพูดจริงต้องอาบัดเบาปัญหาคนนี้ทั้งมาร์ดทั้งหลายคิดกันแล้วแต่ไม่ใช่จะถามข้อนี้ใะความีริงข้อนะลองถามดูดี่้วลองคิดดูนะครับ ทำไมพูดจริงคำจริงนเนี่ยต้าบันนะแต่พอพูดโกหกดันต้าบันบารับอ๋อคือยิงยิงเกี่วกับอาชพนีอ๋อใช่ไหมใช่ครับ า, าชีพไม่ใช่เรื่องจงริงอันนี้พูดจริงต้าบนาชพูดแท้ต้องต้บอนีเจอแล้วองไมับนะพูดจริงต้บ า, บ, าตบันนาต้าบเก็สมมติว่าแต่เรายมคอยโย จะวัานี้เกิดวตายจริจะจะจะมันเกิดควตายเพื่อเก็ดข้แลบอกคเลาหจริงจังเนี้ยนี่ต้องต่กวานีหเลยไม่อถ้าตายแรงนี่เป็นไงครับก็คือจริงนะคามตายพานความตายมันงไม่จริงเนี้ยตายแล้วมันดีอย่างงั้นหนึ่งนี่นะฆ่าตัวตายแล้ว ที่มีในตอนนั้นก็ไม่ได้ต้องบันดาลต้องไปยี่ปีใช่ไหมยังไม่ถึงปลายสุดเกี่ยวกับบันดาเการเกษตรใกล้แล้วไกล้แล้วใกล้เกี่ยวหญิงใกล้ขึ้นมานะครับอย่างนีงกันนะพูดเกี่ยวหญิงคถูกต้องนะพี่หญิง แต่เกี่ยวหญินงนมันที่นี่คืออะไรครับเกี่ยวหญิงคืออะไรในที่ไหนให้เป็นภนะาพหญิงทวารหนักทวานเบาลแล้วการเสดในถุงใช่ครับอีพูดเรื่องจริงคือพูดอย่างนี้ไงไ<ม>อซีเกียคําด่างไง<ม>เธอเป็นคนอะไรนะที่ทำให้ต้องมาบอกงานดีเซน<ม>ถ้าเป็นคนมีเดือนใช่ไหครับนั<ม>่นแหละถือว่าเขามีนัจริงนะตรงนั้นนะเธอเป็นคนพาเธอเป็นคนสองเพศใช่ไหม นั่นนะครับถ้าเขาเป็นจริงแล้วว่าอย่างนี้นะพูดคําจริงเลยตาบัณฑิตนะครับแต่พอพูดคําเท็จตาบัณฑ์บ้าก็โกหกใช่ไหมครับนั่นนะครับนี่เขาถามท่านถามว่าเนี่ยมาจากพระิการวังแล้วนะอารบานิสกี้ปาจิตตีอารบสุติกาปาจิตตีที่สู่ต้องท้องกันนะครับปัญหาควนี้ทั้งมูลฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วครับ ต้องพร้อมกันทั้งนิสสคีแล้วก็ไปตีนะครับจิตต้องพร้อมกันนะครับรท่านบุญชลาท่าหาิั้อะไรนะทุ่ญลาท่านหลาคิดกันแล อ, อะไรนะใช่ใช่ทาตอนนั้นแหละครับคือต้องอาา่านบทนิสกคีกัอบอ่านบทไปตีพร้อมกันนะครับร่ำเงิคร <c oughs> ับ <c oughs> เงินเป็นเนื้อสกีไปดีๆครับแล้วก็ผู้รับจ้างเป็นไปดีๆไม่ใช่ไม่ใช่ย้ำใช่ครับก็เนื้อสกีไปดีนะครับนะอันนี้มนถึงเป็นเนื้อกีไปดีตัวหนึ่งเป็นสตีกาปายดีตัวนึ่งต้องขอไม่สมัยสมายทีว่าขนาดในการขนานั่นนะไม่ใช่ว่าพอพูดคำดีแล้วจะต้องทั้งสองตัวพร้อม ใช่ใช่พอทำเลยนะเสร็จงี่นะสงสัยว่าดีวอร์นอี่ยังไม่ถึงปีกว่านี่ยไม่ใช่นะไปะยิดธรรมด า, ก, ากั น, นอะไรนะน้องรักผงใช่ไหมใช่ใช่ใช่น้องรักผงน้องรักยังไงครับจำเป็นต้องสองตัว น้อมาเพื่อเติมวินิสติกีอะไรเป็นไปตีเอาปาเนี่ยาเพื่อเจดี้าือเจดียะไปทุกคนไม่ใช่หน้าเจดีนี่เพื่อพิสูจน์อื่นนะครับอืนะน้อรากอต้องนะครับน้อมาเพื่อตนด้วยน้อมาเพื่อบุคคลอื่นด้วยใช่ไหมครับก็เลยสร้างบัตรสองตัววนนิสติคีแล้วก็ไปตี อืมทั้งฉลาดทั้งหลังคิ้กันแล้วครับต้องนะับครับเขาพูดไม่ได้หมายถึงพูดคำเดียวนะเขาบกว่าเนี่ยเป็นโยมคืป็นโยมแม่ใชไมเอามาห้าจะมาคือนี่คืนให้ลูกแม่คืนหนึ่งนะต้องครับ อันนี้จบนะครับจบไปก็จะเข้าเสีที่ว่าเสีที่ก่อนสบายใจได้ <c oughs> นะยังไงก็จบใช่ไหมถึงข้อยางหน้าหนังใช